นโมทัสสะเบโกวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะเบโกวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะเบโกวัตโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุษฮังธัมมังสังฆังนะมัสสามิถ้าจริงก่อนที่จะฟังธรรมะ คือนี่นเป็นการพราลบระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็ได้แสดงความาคารวะต่อพระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะฟังธรรมะคือการตั้งจิตใจเป็นเรื่องที่ สำคัญเราตั้งจิตใจอยู่ในความสงบเลยก่อนที่อาตมาจะเริ่มแสดงธรรมะขอให้เราทุกคนนั่งสมาธิสักพักนึงจะนั่งคัดสมาธิก็ดีนั่งราเพียบก็ดีก็ตามที่ตัวเองถนัด การทำให้จิตสงบคือเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้สำคัญที่เรามี กำลังของสติไว้ภายในจิตใจของเราสติคือการรู้เท่าทันอารมณ์สติคือการทำให้รู้เท่าทันความรู้สึกจะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ รู้สึกพอใจรู้สึกไม่พอใจรู้สึกสบายหรือรู้สึกไม่สบายเราก็รู้ไว้ก่อนแต่ต้องมีฐานที่เราอาศาัยอยู่ทำให้สะดวกหน่อยในการกำหนด ความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานที่สะดวกที่สบายเพราะมันใกล้ตัวเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีอยู่ตลอดจาการตั้งสติไว้ทำให้มีผู้รู้อยู่ในจิตใจของเรา รู้ความรู้สึกเวลาลมเข้ารู้ความรู้สึกเวลาลมออกกำหนดให้มันชัดเจนแล้วก็ทำให้มันทีมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นต้นลมก็รู้ปลายลมก็รู้ ได้ก็ทีเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่ว่ามีแต่ลมเขา้าลมออกคือเราไม่ร่างกายที่หนังอยู่ด้วยลมหายใจเข้าร่างกายของเราลุกเสกียงไรลมหายใจออก เรามีความรู้สึกในร่างกายยางรร่างกายข้องเราอยู่ในตันน้มแงงนยเรามีความชัดเจนแจ่มสายเบิกบานหรือไม่หรือเรามีความรู้สึกขัดข้องเอิดอัดรูออด้รสึกขับแคบหรือไม่ สติเป็นผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานเป็นสื่อที่จะได้สัมผัสและสร้างกำลังของสติให้มากขึ้นลมหายใจเข้า ลมหายใจออกไม่ใช่ว่ามีเฉพาะร่างกายเวลลมหายใจเข้าลมหายใจออกความรู้สึกภายในจิตใจก็มีการคิดนึกภายในจิตใจก็มี เราก็ต้องรู้ทันแต่อาศายกำลังสธิที่เกิดขึ้นเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าอาศาัยสิ่งที่ง่ายๆ เป็นพื้นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ละเอียดมากขึ้นในขอให้เราสนใจในความรู้สึกในปัจจุบันเวลนี้ลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ ขอให้ตั้งใจกำหนดไว้เพื่อฝึกกำลังของสติว้ยภายในจิตใจเพื่อฝึกกำลังของความสงบให้ในจิตใจของเราสักพักหนึ่งสักสินาทีสัก้านาทีที่ ก็คงสองคนแก่เวลา <c oughs> ถ้าอยงนีไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้ <laughs> ได้ได้มาถึงคือการการปฏิบัติธรรมและการใช้ธรรมะ เ, เราก็ลองคิดในหลักณะที่ทำยังไงจึงจะได้มาใช้ ในชีวิตประจาันของเราเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่เราควรคารมบแต่ว่าเรายังควรจะรู้จักใช้ด้วยไม่ใช่ว่าอรกว่าถือธรรมะเป็นของสูงส่ง ยกให้เป็นคองสูงแต่ว่าเอื้อไม่เถิงเลยใช้ไม่ได้นั่นเราต้องรู้จักใช้ดันการแล้วก็การกาใช้ทำมาแล้วเราก็ต้องรู้ว่าใช่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าบางแต่เราใครๆก็จะอ้างทำ ว่าเอเชนเวลแล้วเราอยู่กับโลกก็ดีอยู่ในครอบครัวก็ดีแม้แต่อยู่ในวัดก็ดีเรามักจะเเราก็หาเหตุผลที่จะคิดุว่าเราเราเป็นเราชายธรรมะ หรือเราเราอยู่ในคลองธรรมแต่เราจะรับรองตัวเองว่าได้ทุกธรรมธรรมะจริงหรือเปล่าได้อย่างไรเพราะว่าพูดตามความเป็นจริง เ, เรามักจะ ยื้ใน เ, เราอยู่ในการรับใช้ของกิเลสเราอยู่ตลอดมันได้กิเลสมันออกมาก่อนกิเลสมันมีเหตุผลได้เรากเ็เราก็มาจะ ห, า, หาเหตุผลที่ถูกกับความชอบใจของเราความไม่ชอบใจของเรา แต่ก็เราก็มักนจว่า เ, เราก็ต้องใช้ปัญญาแต่ว่ากิเลสมันมีปัญญาเหมือนกันนะบางทีมันคิดวายกับเรานะแล้เราก็รับใช้กิเลสมือนเดิมแต่ว่าอ้างยิ่งอางเงธรรมะในในแง่หนึง่ง เราก็อย่างเราต้องดูที่ผลคือถ้าหากว่าเราเราใช้ธรรมะได้อาศาัยธรรมะ พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องมีผลที่ออกมาคือถ้าครบบริบูรณ์มันก็ต้งเจ็ดประการแต่มันก็พอจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้อธรรมะที่ หน้าสังเกตุเช่นควรจะเกิดในพปิธาความความเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกว่าคือไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่เรา เราเคยพ่อใจลรือไม่พ่อใจเราก็เกิดความความรู้สึกวันนิ้ปิทาแต่เนปิทาในอันนี้ต้องสร้างความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคําศัพท์เนิปิทาเหว่แลแปลว่าเบื่อนาย <c oughs> มันก็คือมันเบื่อนายต่อการรับใช้คิด คีเลตเนี่ยรเป็นพมเไม่ใช่ว่าเบื่อนายต่อสิ่งที่ดีหรือเบื่อนายต่อสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เบื่อนายมักจะมีความเวลาใช้คำศัพท์เบื่อนายในภาษาไทายมักจะมีความรู้สึกว่าถ้าเบื่อนายมันแสงมันเบื่อมันแสงมันมันไม่มี ไม่มีความไม่มีกาลังใจอะไรเลยแต่ว่าถ้าเบื่อในทุกธรรมะจะต้องมีความรู้สึกจิ่ใจปลอดโปรงเบาเพราะว่าเราสามารถที่จะถอยออกจากการผุกรัดหรือการการยุ่งในโลกได้ เพราะเราเห็นชัดเจนแล้วก็เบื่อหน่ายได้มันมันเบื่อหน่ายต่อการทําให้มีความทุกข์เกิดขึ้นซ้ำสำสําๆซากๆนะ mm hmm. เพราะเราเกิดความตื่นแน้นกับเรื่องใดเรื่องหนึง่งเกิดก็ไม่พอใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเกิดความรู้สึกผูกพันกับบุคคลหรื อ, อ สถานการณ์ตัง้งๆจนก็วุ่นวายแล้เราก็เกิดความเบื่อหน่ายถอยออกได้โดยไม่เสียดายแล้วก็โดยไม่ร้อหมอง เ, อเรื่องนี้เรื่องสำคัญมากถ้าเบื่อหน่ายจิตใจไม่ร้อหมองจิตใจจะเบิกบานถ้ามีธรรมะได้ได้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความรู้สึกที่ เทียนาถ้ า, ถาในคำศัพท์ที่เวลแปลนิพิทาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นภาษาอังกฤษมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับคำศัพท์มันทำให้ใหจิตใจมันมันมันมันไม่เบิกบานเทียนเขาเขาชอบใช้คำศัพท์ว่า disgust จะสกัดมันก็กลายว่ามันขยายขยายแต่ว่ามันมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำศัพทที่คือมันมันไม่มีความความพลดเพลินหรือตื่นเต้นนัด ก, กับสิ่งที่ที่นั้นมันมันไม่มีไม่ตื่นเต้นอารมชาติของโลกเลยมันนิพิธา แล้วที่เราเรียกว่าโลกคือการเวียนวายขึ้นคนลงลงตามอารมณ์อันนี้น่าเบื่อจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมเราเราไดเ้เราได้สิ่งที่ถูกใจเราก็ดีใจได้สิ่งที่ไม่ถูกใจก็เสียใจคนพูดดีกับเราเราก็เตือนแต้นดีใจจิตมันก็ผ่องขึ้นมาเขาพูดไม่ดีก็เราน้อยน้ำนะ่ะ เราก็กดความแฟบลงแล้วมันก็ฟูฟูแฟบแฟบน้ำหน้าเบื่อไม่มีหลักเลยการที่มีธรรมะรองรับอยู่เรากำลังสร้างหลักของตัวเองที่จะทำให้ไม่วนวายตอนโลกลเลยเนปิธาเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความมัน่นคงไม่ใช่ว่าทำให้เราซ่อหมองไม่ใช่ทำให้เราเซ็ง ไม่ทไม่ใช่ทำให้เราขยะยขยายตออะไรเพราะว่าจิตใจชัดเจนดูแล้วว่าเออมันไม่คุ้มที่จะไปตืนแต้นกับเรื่องนี้มันไม่คุ้มที่จะเสียายเรื่องนี้มันไม่คุ้มที่จะเกิดความรู้สึกลำาขางกับเรื่องนี้เพราะมันสั่งแก่ว่าอารมณ์เรามันเบื่อหนายตออารมณ์ที่ค้นคืนลงลง <c oughs> เลยมันทำให้สบาย เลยถ้าจะโทษกกับธรรมะมันต้องเป็นสิ่งที่นําให้เราเกิดความมันคงเพราะนิพิทามันมันเริ่มทุกข์มันไม่มันไม่เชื่ออารมณ์ของตัวเองและไม่เชื่ออารมณ์ของคนในโลก เ, ลเพราะว่าบางที่เขาว่าเขาว่าเล่าดีแมันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าโลกเขา มันไม่รู้ว่าเขา ส, สรใจเราเพราะอะไรหรือเขามานินทาเราไม่รู้ว่าแน่ใจว่าเขาเขาก็เมนินทาเพราะอะไรเราถ้าเราเอาโลกเป็นเครื่องวัดเราก็คืนขืนลงลงอยู่ตลอดเราต้องมีหลักในตัวเองอย่างลพบุรีชาท่านเคยพูดเฮ้ยมันคือเราต้อง ต้องรู้ใจดูตัวเองมั่นใจในตัวเองอเขาจะมานิ้นท้าว่าเราเป็นหมาอืมันก็ดี่าพูดมาทายและอย่างนี้แหละหยาบแล้วหละจะตีกันแล้วะแต่ว่าถ้ า, ถา เ, เขาจะมานี่เขาจะมาว่าเราเป็นหมาแล้วก็แค่แค่ดูว่าเราไม่หางหรือเปล่าแล้วไม่มีมันก็หมดเรื่องไปะล้วเท่านี้แหละ เขาม า, ขามาดูถูกเราหรือนินทาเราหรือมามามาทวงติ้งเราเราต้องดูว่าถูกหรือผิดถ้าเราดูว่าถูกเออเราไมเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขถ้าถ้าเขาเขาเขามานินทาในสิ่งที่เราดูแล้วแหละโดยความจริงใจว่าเออผิดนะเนี่ยเ้อเราก็สามารถที่จะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปทื่อส า, เ, อาเพราะเรื่องไม่ไม่ถูกเลย มันก็มันทําให้ง่ายแต่มันยากที่จะให้จิตใจเย็นพอที่จะรื้อมั่นคงพอที่จะไม่ว่อนไหวเลยมันสําคัญทีด้วยกาจิตใจให้มั่นคงได้และจึงเป็นเหตุเราต้องดูว่าเราปฏิบัติธรรมมันได้ปฏิบัติธรรมให้ตรงกับธรรมะเวลา พรากฏไม่ฉายไว้แล้วมันอยู่ในเช่นอยู่ในอุดมการณ์ของเราหรือความาความความชอบใจของเราเนะี่ย ม, มันอยู่ที่ว่าผลเกิดขึ้นเลยนิพิธามันเป็นเป็นเครื่องหมายอาของการเออเราปฏิบัติถูกพราะเวแล้วเราปฏิบัติเราก็มีนิพิธาเกิดขึ้นในใ จ, ใจิตใจ อีกอย่างหนึ่งก็ที่พระพุทธเจ้าบอกเลยควรเกิดขึ้นคือเวลาคะ่ะคือการความคลี่คลายคลี่คลายแล้วก็ได้คือเวลาคะมันก็ค่อนขางจะชัดเจนคือลาคะมันก็เดินแจ่มมันอยากได้เวลาคกะคือถอนถอยออกจากปลาคะความเดินแจ่มอ่าเลยมันคลี่คลาย เวทีคลายออกจากความตึงเต้นแล้วจิตใจจะรู้สึกกว่าสบายปลอดโปร่ง เ, เพราะว่าสิ่งใดที่เราคือจะทะคุบเอาอยากได้จนเกินค ว, ความเหมาะสมมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจ คือมันแทะ ส, สายโดยความอยากเลยเวละแทะสายโดยความอยากมันก็มันสงบไม่ได้หรอกเราต้องต้องรู้จะหรือมั่นคงไม่ได้ด้ เ, เราต้องดูว่าเออมันมั น, ม, นมันเหมาะไมมมันพอดีไหมเราจะคลี่คลายได้อย่างไรเราจะได้เกิดความรู้สึกว่า เยือเกเย็นพอดปรงได้ยังไงไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้สึกต่ออะไรเพราะว่าหรือเราเฉยไปหมดนะเพราะว่ า, าการที่เฉ ย, ยโจนเกินไปละมันมันไม่ใช่คุณธรรมบางทีมันก็เรียกว่า เฉยแบบเยืยวยเกียนก็มีเฉยแบบเฉยชาก็มีเฉยแฉเฉยเมื่อยมันมันมันมันมันไอ้ยงนี้มันมันเกินแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าเรานึกถึงสิ่งที่ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนคืออิติบาทสี พื้นฐานที่จะทําให้ความสำเร็จเกิดขึ้นก็ขอแรกชันทะคือความพอใจต้องไม่แรงจุงใจในในลักษณะที่มีมีแรงจูงใจจะสําเร็จในการปฏิบัติก็ดีจะสําเร็จในโลกก็ดีต้องมีขยิตใจใ จ, ใจที่จะทํามีความสนใจมีความ จะเรียกว่ามมีมความยินดีในการทำเพราะถ้าหากว่าะ จ, ะจะเรียนหนังสือก็ดีจะทำการงานก็ดีจะปฏิบัตธิธรรมากก็ดีต้องมีความสนใจต้องมีความยินดนถีถ้าในแง่หนึ่งมันก็ต้องมีความตื่นเต้น ที่จะปฏิบัติเพราะไม่อย่างนั้นมันก็มันจะมันจ ะ, ะคือมันไม่เห็นความสำคัญแล้วก็จะไม่ทุ่มเทเวลาไม่ทุ่มเทก็จ ะ, ะไม่ประสบความสำเร็จจะไม่ได้ไม่ได้รับผลเลยในแง่หนึ่งคือเรามีเวลา ค, คือความคลี่คลาย แต่มันคลี่คลายออกจากสิ่งที่ทำให้จิตใจเศ้าหมองไม่ใช่ว่าคลี่คลายออกจากความปลุกเร้าความสนใจหรือปลุกเร้าศรัทธาของตัวเองหรือปลุกเร้าความขยันของตัวเองอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องยากออกในการคือได้การวัด หรือการสังเกตดูว่าเราทำปฏิบัติธรรมหรือดำเนินชีวิตให้อยู่ในคล่องธรรมคือต้องต้องดูที่สภาพของความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือจิตใจที่เกิดขึ้นคือเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล คือมันมันเป็นเรื่องง่ายๆเการที่ได้ถ้าหากว่าเราทำอะไรด้วยคู่สนมันก็คู่สนและจิตเป็นสิ่งที่นำหน้าผลที่จะเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นกฎแห่งธรรมชาติ เราทำอะไรโดยอักข u โซและเจต น, นาผลที่จะต้องเกิดขึ้นก็สิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรมันโดยพูดถึงโดยทั่วๆไปมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักษณะธรรมชาติเพราะว่าก็อย่างที่เราเคย ได้เย็นกันมาแต่นันแต่แลายหเช่นที่เราใช้สำนวนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ่มันก็มาจากสุปาสิทธในธรรมบทที่ว่าคือปลูกพืพชชนใดได้ผลชนนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ่าซึ่งที่เราหวดดีนั้นไดชั่วนั้นมันก็จะต้องหวดที่กุศลกับอกุศล แล้วก็ดูสภาพของจิตถ้าหากว่าเอว่าโดยโดยโดยหลักษณะธรรมชาติจิตที่เป็นกุศลจะเป็นจิตที่มีความมีความสุขจะมีความสงบและก็จะมีความปลอดโปรง่งแล้วก็จิตที่เป็นอกุศลจะเป็นจิตที่มีความทุกข์ คือจะไม่จำเป็นจะต้องทุก้องให้แต่ว่ารทุกรู้สึกว่าไอ้มันขับแคบมันเอือดอาดมันมันมันไม่ยังไม่ปลอดโปร่งแล้วก็มันจะมีความฝงสร้างคือมันไม่ไม่สงบมันไม่นิ่งและไม่สามารถที่จะนิ่งลงได้ แนีแล้วก็ที่มีความเศร้าหมองคือขี้เละมันครอบงาในรักณะได้ักสนุนนไม่ใช่ว่าจะต้องยาบคายเพราะว่าเราคิดดูยังยังง่วงเหาเฒานอนก็ยังเป็นอกุศลอยู่เพราะจิตไม่เบิกบานแล้วจิตไม่สามารถที่จ ะ, ะที่จะร่วมโดยความนิ่งลงมาได้ลเลย เ, เป็นเป็นเป็นสิ่งที่น่าสังเกต ในลักษณะของเวลเราดูเอ๊ะเราถูกกับธรรมะหรือเปล่าเวลเราทูกกับธรรมะคือกุศลหรือจิตจะต้องโผล่ขึ้นจะต้องลอยขึ้นมันก็ลักษณะธรรมชาติเวลธรรมะไม่คุ้มครองอกุศลก็จะมีกําลังมากกว่ามันมันธรรมชาติเลยเราเราก็คอยเราก็คอยเฝ้าดู ก่อยเฝ้าดูจิตใจแล้วก็เราปรารถนาอะไรบ้างอาจจะมาเกิดว่าส่วนใหญ่เราปรารถนาความสุขปรารถนาความสบายปรารถนาความสงบเลยเราก็ต้องทําเหตุให้สมกับกับกับสิ่งที่เราปรารถนานั้นเลยการมาการได้สังเกตดูเออถ้าหากว่า อ่ะกุศลเกิดเราก็จะพยายามรักษาไว้ป mm hmm. ระครับประคองไว้ช่วยชูสนับสนุนให้ได้ถ้าหากว่าอากักขศนเกิดคือเราไม่ต้องไปไปหาเหตุผลว่าเพราะบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นอกขศนเช่นยกตัวยอย่างาง่ายเกิดความโกรธไม่พอใจอ่า เป็นทุกข์ซ้ามหมองจิตใจไม่สงบแต่เราเรีบเรามักจะรีบหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเขาทำผิดนั่นมันเรื่องของเขาเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นแต่ว่าคือราบตายที่เรายังหาเหตุผลอย่างนั้นเราก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะมันไม่คุม้มเราต้องรีบมา สังเกตดู ว, ว่าอากุศลกำลังที่จะครอบนํำจิตใจมันมีกำลังมันกำลังร่างแก่เราเราควรจะหาอุบายหาวิธีที่จะที่จ ะ, จะหลักได้แล้วคือเราไม่เราไม่เข้าคางตัวเองแล้วแต่เราไป แ, แค่รับผิดชอบอย่างนี้แค่ตั้งสติไว้ อย่างนี้มันมันตั้งแต่ตั้งแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะแค่แค่การเห็นอย่างชัดเจนว่าอันนี้คืออกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อันนี้ช่วยได้เยอะมากมแค่เห็นอย่างชัดเจนในตัวสัติมีกำลังและก็การจะเรียกว่าซื่อตรงตัวธรรมะก็ว่าได้เรามีสัจจะว่าเออเราก็ เราจะรักษาธรรมะให้ได้ให้มากที่สุดเลยเวแล้วเราเราเห็นอย่างชัดเจนเราสังเกต ด, ดูอย่างชัดเจนเออเรามีสธิที่ยอมรับมันจะทำให้สิ่งที่แบนทุกได้ดับไป อย่างที่ทำมาแค่เห็นว่าอันนี้เป็นอกักขสมอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ซอมหมองแล้วเป็นเรื่องของเราที่เราต้องรับผิดชอบมันจะเกิดความความความดับอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าน้โลดและย่างที่ที่พูดตอนหน้าในลักษณะของ แต่ที่เวลาเราสังเกตเวลาเราปฏิบัติถูกกับธรรมะคือเนปิธาเวลาคะนิโรธาเป็นอันที่สามที่เป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติถูกต้องกับธรรมะการดับจะทำให้การดับทุกข์ให้เกิดขึ้น เ, เราจะได้แล้วก็ดับ โดยการคือเราไม่ไมเราไม่หาเร า, เราไม่หาแต่หรือไม่สนับสนุนให้มันเกิดขึ้นมาเพราะบางที่เราเราชอบที่จะคือไม่อยากไม่อยากได้ความทุกข์ <c oughs> แปล ว, ว่ามันไม่คุ้นกับการอยู่ยัางสงบแล้ไปหาความทุกข์อีก <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นเราสังเกต ด, ดูเรา กําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็พยายามที่จะว่างจิตที่ไปคิดบางที่มันคิดเรื่องอกุศลคิดเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเราเคยไปโกรธเขาเคยไปเคยไปทําสิ่งที่ไม่ดีหรือกำกำลังพระโกรธก็จะจะทําสิ่งที่ไม่เหมา ะ, ะแต่ก็เราก็เห็นอยู่เราก็วางอยู่ดับอยูอ่เดี๋ยวมันก็วกมาสนใจอีกนะ แต่นี้เราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ดูว่ากำลังยังไม่เพียงพอเลยเราต้องออต้องเป็นอ่านี้คืออากุศลคือเราไม่ต้องมองในลักษณะว่าเราไม่ดีเพราะอย่างนี้เราไม่ีคือเราดูว่าเป็นอากุศลหรือเป็นกุศลเราไม่ต้องเอาตัวเรามาเกี่ยวข้องนะเพราะว่าพอเราตัวตัวเราเข้ามาเกี่ยวข้อง อยว่าเอาเราก็หาเหตุผลว่าเราก็ไปหลงอะไรทําให้ตัวเองสับสนขเราดูว่าเอาเออมันเป็นมันเป็นอาขุศนมันเป็นทุกข์ไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าไม่ต้องไปคิดในหลักษณะว่าเมื่อความเป็นตัวตนแล้วแทรกซ้อนเข้าไปามันทําให้ง่ายาแต่มันก็ทํายากหน่อยอืเพราะว่ามันเราคุณอืม แต่นี่เป็นเหตุที่ว่าเวออลาเราทำให้มีการต่อเนื่องของการดับทำให้ทให้เราถ้ด อ, อยออกจากอ า, ารมณ์ที่ชอบผูกพันกับความทุกข์อยูอ่สิ่งที่จะที่จะพรากฏนะบพระพุทธเจ้า ว, ว่า อุปาสมายคือความสงบที่เกิดความรู้สึกความสงบอพอมันนี่ว่าเออมันเราไม่เราไม่ปล่อยให้เจตใจคลุกคลีกับ อ, อ, อกุศลของเราอารมณ์ที่คุณมัวมันก็ทำให้สงบแล้วก็เราสามารถที่จะที่จะเปรียบเทียบดู ว่าอันไหนมีคุณค่ามากกว่ากันเวลาจิตใจเกิดความรู้สึกสงบเยือเกเยน็นปลอดโปรงหรือเวลาราคุณโม้แล้วก็มีความรู้สึกจิตใจที่เรียกว่าแส่าสายกระซับกระสายเราก็เทียบดูแล้วล่ะเอะมันเทียบกันไม่ได้จิตใจที่สงบเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่า เลยมันเป็นเป็นสิ่งที่เราได้กำลังใจว่าเออความสงบมันเป็นเครื่องหมายของการปฏิบัติให้ในธรรมะออที่ถูกต้อง่ะก็ดูบายธรรมชาติมันก็อย่างนั้นสิ่งต่อไปที่พระพุทธเจ้าสอนมันก็ค่อนข้าง เ, ออ เ, ออเป็น ก็เป็นเรื่องละเอียดแต่มันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถพูดในแง่ธรรมดาก็ได้เพรา ะ, ะ, ยายะว่าท่านท่านใช้คําศัพท์ว่าอภินิยายะคือมันเดือดร้อนรู้ก็รู้แจ้งอ่าเออนี่แน่นอนแนะแต่รู้แจ้งอภินิยายะถ้าเราพูดในในสามัญทั่วๆั่วไปเหละในชีวิตประจําวัน คือความรู้ที่เห็นชัดว่าอันนี้ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่มีคุณค่ามากกว่าย่อมเอินเช่นความสงบเป็นสิ่งที่หายากความถูกต้องมันเป็นสิ่งที่หายากความรู้สึกที่ปลดปล่อยเป็นสิ่งที่หายาก ทําให้เรามั่นใจในคุณค่าของมันอันนั้นเป็นความรู้ที่เป็นความรู้ยิ่งไม่ใช่ความรู้น้อ ย, อย mm hmm. เพราะโดยปกติคนทั่วๆไปในโลกเลยมันก็มันจะมันจะซับย์สนอะไรนันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมากที่สุด mm hmm. เพราะว่า ถ้าเราดูความสำคัญของอชีวิตของคนมันก็มักจะยู้นห้สิ่งจะเป็นจะเป็นเรื่องของกายก็ดีการแต่งกายก็ดีเรื่องของอสิ่งของที่เขาเป็นเจ้าของอจะเป็นเรื่องความนิยมจ่เป็นเรื่องของการยอมรับ มั่นกลากเป็นมันเป็นสิ่งภายนอกแต่ะะมันเป็ น, นเวลอาศัยสิ่งภายนอกอที่เก็ว่าตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็ดูว่าจิตใจเป็นยังไง เวละเอาเอาสิ่งภายนอกอะอย่างนั้นเป็นที่พิ่มหรือเป็นสารหรณบหรือเป็นสิ่งที่ยกให้เป็นสิ่งสูงสุดมันก็ยากที่จะมีความมั่นคง okay. มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเรื่องของธรรมะคือเรื่องความถูกต้อง เ, ออเหลืองออที่จะทำให้มีกุโสแลธรรม ต่อเนื่องภายในจิตใจของของของตัวเองอเวลาเราให้ความสำคัญตรงนี้มันทำให้เรามีความมั่นคงเพราะเรามีหลักในตัวเราเราจิตใจของตัวตัวเองก็จะมีความความเบิกบานยังต่อเนื่องและจะมองทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันก็กลายเป็นสิ่งที่ดีไปหมดเเช่นเราเราได้เราได้ตามที่ทุกใจมันก็ดีเราไม่ได้ตามที่ทุกใจมันก็ดีเหมือนกันเเราก็สามารถที่จะที่จะรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงเราได้ตรงเราเช่นเราเราเรา เชนจะมาเช่นจะม า, ะ ม, า, ม, ามาที่นี้ได้เช่นรถจะมามามามันก็สายหรือมันก็มาไม่ทันดรามีลาเราก็ดูอ้ามันก็ดีเราก็คอยดูจิตใจไว้ก่อนไดม้มาเร็ว มันก็ดีมันจะรลอไปก่องมันคือว่าเราก็เราไม่มันอะไรมันก็ดีไปหมดได้แต่ด้ยโพกติไม่เป็นอย่างนั้นน่ะทุกข์ใจมันก็คือว่าอะไรมันดีล่ะดียากเพราะว่ามันมันมันจะมันจะตีความตามทุกข์ใจไม่ทุกข์ใจ แนี่เราเราเราดูในลักษณะเชน่นช่วงนี้อากาศมันเย็นดีไหม ม, มันก็ดีสิบางคนก็บนอ่ะ ม, มันเย็นอย่างตอนเช้านี้นะโยมคน้นโยมีตอาตามาพักละโยมมาถึง โอ้ท่นอาจารย์อากาศมันเย็นหนาวเรให้หนาวที่ไหน เ, <c oughs> เราก็ไม่รู้สึกเลยนะ <c oughs> เอะมันก็ได้ อ, อากาศอากาศเย็นก็ดีอากาศร้อนเ้าก็ให้มันดีแหละคือคือเรแล้วเป็นเรื่องที่เราเราโบนเอาเดี๋ยวมันก็ร้อนไปเดี๋ยวก็เย็นไป คือปัญหาเรื่องโบนได้ตลอดน ะ, ะเดี๋ยวเราเจ้านเราได้อาหารมันมากไปก็บนน้อยไปก็บนคือมันก็เดแต่ถ้าจะท า, า, าเราเร า, เราได้ในหลักณะเ อ, อมันดีไปหมดนะ้ได้น้อยก็ดีนะหัดออจะได้ลดน้ำหนักน้อยนะมากไปเออมันก็เอาดีแนละ้ว มันจะไหัดให้มีความหยับยั้งละไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตามคิดเดตของเจ้าของคือการว่าเออแเร า, หาให้มันเป็นเป็นสิ่งที่ดีไม่หมดได้เลยอันนี้เป็นเป็นความจะเรียกว่าความรู้อที่ช่วยให้เราอยู่ในคลองธรรมความรู้ยิ่งอภินิยายอะรู้ในสิ่งที่ ทำให้เราอยู่ในธรรมะเลอความหลูยิ่งในลักษณะที่เช่นถ้าเราพูดาตามที่พระพุทธเจ้าสอนอคือคือมองในลักษณะที่ที่ที่พระพุทธเจ้าสอน สมาดิติความเห็นชอบที่ช่วยให้เราอ่ารู้ถึงอ่าถึงที่สุดได้คือเรามองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกขนะ์อันนี้ถ้าเรามองในแง่หนึ่งนะถ้าเกว่ามันมันเหมือนกับทุกอย่างเป็นทุกขนะ์เลย มมันน่าเกลียดมันน่าชังมันน่าเบือ่อมันน่านายแต่ว่าถ้าเรามองในแง่หนึ่งนี่คือทุกเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบังคับให้มันถูกใจเราเลยมันทำให้เราสบายเพราะาเราปล่อยได้มันไม่ไม่ได้ตังความหมังและตั้ไม่ได้ตั้งการการตั้งกฎเกณฑ์ว่าวายว่าเออทุกอย่างก็ต้องทุกเรา เพราะเราดูแล้วเออมันทุกข์ในทำอย่างนี้มั่งกายทำให้ทุกข์่างสบายไปหมดเลยเพราะไม่เพราะไม่อยากให้เป็นอย่างไม่ตั้งพป้าตระนาว่าจะเป็นอย่างอื่นได้ทำให้สบายนี่เป็นเหตุคือสำหรับกระแสของโลกแลมันจะงงลอล้แต่ว่าถ้าเราลองคิดพิจารณาดู เราดูเออเราเห็นเออมันเป็นมันเป็นตราบใดที่เราเราตั้งความ อ, อความหวังความปรารถนาความกดเกณฑ์ที่จะได้ให้มันถูกใจเราเ อ, อ่ามันต้องเราก็ต้องผิดหวังผิดหวังก็เป็นทุกข์เนี่ได้ เ, ออเราก็ดูในหลักษณะว่าเออมันจะเป็นตามที่มันเป็นแล้วมันจะเป็นตามข้อมที่ ถูกต้องทำเหตุปัจจัยของมันได mm hmm. ้มันก็ทุกอย่างมันก็จะพอดีเลยมันไม่ทุกนะ mm hmm. อมันมันเป็นอันนี้เป็นเป็นความรู mm ้ hmm. ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจเพื่อออกจากทุกข์ธรรมะอีกข้อหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นถ้าเรา ปฏิบัติถูกต้องกับธรรมะพระพุทธเจ้าท่ า, ทานใาคำซักว่าสมโพดายคือคือมีความตื่นแล้วตื่นขึ้นมาจริงๆริงเพราะโดยปกติมนุษย์เรามันเมือนกับเราอยู่เราเรา ทึ้งทังเราเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ไปทํา ง, งานไปประกอบหน้าที่ต่างๆนะเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนะมันเหมึนกับเราอยู่ในความหลับอยู่นะเพราะว่ า, ม, ม, า, วา ม, วมันไม่ตื่นจากความเคยชินของตัวเองมันไม่ตื่นจากความของอ่ากิเลสละทันหาของเรามันไม่ตื่นจากความล่ําเอียงไปในจิตใจของเรา มันไม่ตือนากจิตที่มานของเรามันมันมันมันจมอยู่ในยใ น, ในความรู้สึกเหล่านี้แต่ก็ปัญหาของเรากระ ก, กรว่าเราอยากจ ะ, ะทำให้สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ให้หมดไปเราอยากทำลายมันเราอยาก ตีตัวหางออกจากมันเราไม่อยากเกี่ยวข้องกับมันไม่อยากให้มันมาทับผมมาลังแกเราแต่มันเหมือนกับเวลเราเรารับอยู่และเรากำลังฟันร้ายเลือกไปฟันในลักษณะที่มันมีพัญหาเช่นโค่นจะมาลังแกเราเวลเราฝันอยู่บพาพูดถึงในฝัน เราอยู่ในอยู่ในฝันแล้วคนแข่งคนกําลังลั่งแกเราแล้วเรากําลังที่จะรพยายามที่จะวิ่งหนีวิ่งหนีก็ไมท่านเดี๋ยวก็มันพยายามที่จะวิ่งขามันช้าแล้วก็เราจะพูดถึงในความฝันแะทุกคนเราคงจะเคยฝันในลักษณะกายเคียงกันนะแต่เรากําลังหนีออกพยายามที่จะหนีออกจากความอันตรายหรือสิ่งที่ เราดูว่ามันมันน่ากลัวมันน่ากเกลียดแต่ว่ามันมีอะไรคัดขวางอยู่แล้วเราพยายามที่จะทําสิ่งในในความฝันนั้นนะที่จะแก้ไขปัญหานั้นแต่ว่าสิ่งที่เราคาดไมถึง ในเวลานั้นว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาก็จะหมดปัญหาทันที <c oughs> อะไรคือปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ที่เรายังรับอยู่เลยเราเราต้องเราต้องเป็นผู้ตื่นเราต้องเป็นผู้ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปัญหาไม่เหมือนที่เรามีในฝัน <c oughs> มันหมดเรื่องไป ในในลักษณะของอการปฏิบัติเวลเราเกิดความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกเองนะเฮ้ทั้งหลายไม่เหมือนที่เราคิดไว้มันไม่มั น, ม, น, ม, น, ม, นมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ทับโทมเหมือนที่เราคิดเนี่ยเราจะรู้สึกเบิกบานยังมากทีเดียวในการ ประกอบด้วยความตื่นให้ในจิตใจหรือที่เราระลึกถึงคณของพระพุทธเจ้าในหลักษส้นที่ท่านเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นแัน่เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบด้วยธรรมะที่สาคัญมากในการประกอบด้วยความตื่นมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าคิด ้ทำยังไงจึงจะตื่นขึ้นมาได้ แ, แล้วก็ข้อธรรมะสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าระบบไว้จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติทุกระธรรมะเกิจะเกิดนิพพานอะคือกิดจะนิพพานมันก็จะปรากฏ เวลาเราพูดถึงนิพพานมันก็กลายเป็นคำศัพท์ที่สูงเราก็ก็บางที่เรามางเข้าใจกันในหลักษณะที่บางที่ละเอียดจนเกินไปหรือสูงหรือห่างจนเกินไปโน่นน่ะเรียกว่าเมื่อไหร่ เมืองเมือ ง, องนีรกอบชอบใช้กันเป็นสำนวนซึ่งก็มันมันไม่ใช่ในลักษณะของออข้องนิพานที่ใช้ในสมัยพุทธกาลคือได้มันอยู่ที่การการอธิบายในความ เรื่องฝ่ายเวล่เวล่เพราะว่ า, าฝ่ายก็เป็นความร้อนแล้วก็ความร้อนนั้นคือมันมีความกระซับกระสายามีความความรู้สึกที่มีความ ก็มีความทุกอยู่และเวลาไฟดับก็จะแย่นสนิทแล้วก็คือจะมันจะหมดเหมือนจะหมดปัญหาแต่ ว, ว่าส่วนที่ที่เรา คิดในลักษณะนิพานแล้วก็ดูที่ความเย็นแล้วก็ดูเออมันมันเป็นสิ่งที่เย็นแล้วย็นสน็จเย็นสบายจิตใจเย็นยางปลอดโปร่งแล้วก็ได้ถอยออกอจากความพุกพันเพราะว่าราบตายที่พกุกกับเรื่องโลกก็ดีเรื่องความลูกสะกก็วดเด้งก็ดี มันก็จะมันจะเล่าล้อนอเหมือนกับฝายพูดถึงในลักษณะของอความเข้าใจของชาวอินเดียสมัยโบราณคือที่ฝายฝายจะติดได้คือต้องต้องพวกพกมัดและพวกลัดไว้กับเชือกผืมเวลาฝายดับ ือมันมันได้มันเป็นภาวะที่ได้มันกับถอยออกจากเชื่อเพลิงแล้วก็เข้าสู่สภาวะที่เย็นในเวลาเราพูดถึงนิพพานเราพูดถึงการถอยออกจากจากการพวกกลัดไว้โดยความเล่าร้อนด้นมันก็ที่เรา ไวเราพกลัดไว้กับอะไรบ้างเราก็พวกลัดไว้กับสิ่งที่เราเห็นโดยตาดีเย็นโดยโหูสัมผัสได้ดมด้วยโดย้โดมกลิ่นด้ว ย, ย, ย, ยจมูกเราได้เลีมรสของที่เมีรสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจสิ่งที่เราสัมผัส้วยร่างกายแล้วก็สิ่งที่เราคิดนึกและรู้สึกในจิตใจของเรามันเป็นของที่หลบ พุ ก, กลัดไว้เราปลุกรัดเราแล้ว เ, เราก็มีความเล่าร้อนตื่นแต้นอย่างว่าถูกใจก็ตื่นแต้นไม่ทูกใจก็ตื่นแต้นได้สิ่งที่พอใจอ ม, มันก็ยินดีปลดเปลืนได้สิ่งที่ไม่พอใจก็เสียดายเสียใจขัดขอ้อขัดใจเลยมันก็มันพู ก, กลัดไว้อม ในการที่ถอยออกอรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกมันก็เป็นสิ่งที่เราเราสามารถจีจะปล่อยกับสู่ธรรมชาติได้นะมันก็เย็นมันตับสนิทมันจะมันจะไม่ผูกลักแล้วในการเห่นด้ดยธรรมะมันเป็นมันเป็น มันเป็นสิ่งทีน่น่าศึกษาและน่าสนใจไม่ใช่ว่าเราจะาบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่่บงนี้แต่ว่าสำหรับผู้ที่สนใจในการฝึกหัดเราก็ต้องมาดูว่ า, เ, าเราปฏิบัติเข้าลองรอยหรือเปล่า หรือไม่เข้าลองรอยแต่อย่างน้อยเราก็รู้ว้รู้ว้เพื่อเป็นกำลังใจเราจะได้หาทางหาความฉลาดในการแก้ไขตัวเองหาหาประสบการณ์ที่จะได้มีความคล่องคล้องตัวมากขึ้นในการทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ไม่เป็นเป็นส่วนที่เรา เราหาประสบการณ์เนี่ยก็คอยฝึกตัวเองแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปฏิบัติอย่างลอยลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพียงแต่ทําตามาครูบาอาจารย์สอนก็ดีหรือตามประเพณีก็ดีหรือตามที่ตัวเองก็คิดเฉยๆก็ดีแต่ว่าเรากลับมาหาหลักธรรมเวลวเราปฏิบัต อย่างนี้เราก็จะคอยมั่นใจมั่นใจในตัวเองแล้วก็ เ, เวลาเรามั่นใจในตัวเองก็ดีมั่นใจในตัวธรรมะก็ดีคือเราจะทำให้ท่านคือท่านศรัทธาก็ดีและปัญญาก็ดีก็จะได้มั่นคงในในในในตัวเรา เราเราเราปฏิบัติส า, ายหลักการเพื่อได้มาือเป็นเป็นกระจกที่ที่จะมามาสะท้อนมาเห็นตัวเราเวนแล้วได้ได้ปฏิบัติคือพระพุทธเจ้าสอนในสิ่งที่จะอนุเคราะห์มนุษย์ให้ได้รับการ การดับทุกได้แต่ว่าคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะได้รับผลแตนี่เป็นส่วนที่เราต้องฉลาดในการศึกษาฉลาดในการปฏิบัติเพื่อจะได้รับผลที่พระพุทธเจ้าได้ปรารถนาให้เราซึ่งการดับทุกข์วันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดในธรรมก็คงพอสองควรแก่เวลาก็จะก่อ ย, ยุดที่โลงเพียงเท่านี้วัน